อนาปติวานพิกษณีตอบไปนี้ไม่ต้องอวดคือ935หนึ่งพิกษณีรูปหนึ่งนอนอีกรูปหนึ่งนั่งหรือนั่งทั้งสองรูป 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญยัติสิกขาบทที่หนึ่งจบ